ปัญหาที่ห้าถามถึงความมีขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มีข้าแต่พระนาคเษนสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นมีบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรไม่มีสังขารที่มีอยู่เท่านั้นมีขึ้นเช่นพระราชมนตทียนที่มหาวพิตรประทับนั่งอยู่นี้เมื่อก่อนไม่มีแต่มีขึ้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ในข้อนี้ได้ความว่าสังขารทุกอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นไม่มีมีขึ้นเฉพาะที่มีอยู่เท่านั้นอุปมาพระราชมนเทียนขอถวายพระพรไม้ที่นำมาทำพระราชมนเทียนนี้ได้เกิดอยู่แล้วในป่าดินเหนียวนี้ได้มีที่แผ่นดินแต่มามีขึ้นในที่นี้ด้วยความพยายามของสติและบุรุษทั้งหลาย เป็นอันว่าพระราชมนเทียนนี้มีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดสังขารบางอย่างที่ไม่มีแล้วมีขึ้นไม่มีมีขึ้นเฉพาะสังขารที่มีอยู่เท่านั้นฉันนั้นข อ, อนิมนต์อุปมาอีกอุปมาด้วยต้นไม้ขอถวายพระพรพืชเล็กๆ เ, เกิดอยู่ในแผ่นดินพืชเหล่านั้นย่อมมีใบดอก ผลตามลำดับพืชที่เกิดเป็นลำต้นเหล่านั้นไม่มีอยู่แต่มีขึ้นหาไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นของมีอยู่แล้วจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นนะขอถวายพระพรอย่างนั้นแหละคือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้น ขอใหมนุ์อุปมาให้ยิ่งขึ้นอุปมาด้วยช่างหม้อขอถวายพระพรช่างหม้อขุดเอาดินจากแผ่นดินแล้วมาทาเป็นภาชนะต่างๆขึ้นภาชนะเหล่านั้นยังไม่เคยมีแต่มีขึ้นจึงว่ามีขึ้นเฉพาะของที่มีอยู่เท่านั้นฉันใด สังขารบางอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นฉันนั้นขอนนม้มนุปมาณให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยพินขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าเมื่อก่อนใบพินไม่มีหนังขึ้นพินก็ไม่มีร่างพินก็ไม่มี คันพินก็ไม่มีรูปบิดก็ไม่มีสายพินก็ไม่มีนมพินก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากกระทำของบุรุษก็ไม่มีแต่มีเสียงขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะใบพินมีหนังขึ้นพินก็มีรังพินก็มีคันพินก็มี ที่รองพินก็มีสายพินก็มีนมพินก็มีความพยายามอันเกิดจากการกระทำของบุรุษก็มีจึงมีเสียงขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้น ขอนิมนต์อุปมายิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยไฟขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าแม่ไม้สีไฟไม่มีลูกไม้สีไฟก็ไม่มีเชือกที่ผูกไม้สีไฟก็ไม่มีไม้ที่จะหนุนขึ้นไว้ก็ไม่มีปุ๋ยหรือฝอยในแม่ไม้สีไฟก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากการกระทำของบุรุษก็ไม่มี แต่มีไฟขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่แม่ไม้สีไฟก็มีลูกไม้สีไฟก็มีเชือกรัดแม่ไม้สีไฟก็มีไม้สําหรับหนุนแม่ไม้สีไฟให้สูงขึ้นก็มีปุ๋ยหรือฝอยในแม่ไม้สีไฟก็มี ความพยายามอันเกิดจากการกระทาของบุรุษก็มีไฟนั้นจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่แล้วเท่านั้นขอให้อุปมายิ่งขึ้นไปกว่านี้อุปมาด้วยแก้วมณี ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนแก้วมณีไม่มีแสงแดดก็ไม่มีขี้โคแห้งก็ไม่มีแต่ไฟเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก็เหตุที่แก้วมณีก็มีแสงแดดก็มีขี้โคแห้งก็มีไฟจึงมีขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาพิทคือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นย่อมไม่มีมีขึ้นแต่เฉพาะที่มีอยู่แล้วเท่านั้นขอนิมนุปอุปมาณให้ยิ่งไปกว่านี้อีกอุปมาด้วยกระจกเงาขอถวายพระพรเปรียบเช่นกับกระจกเงาไม่มีแสงสว่างก็ไม่มี หน้าคนที่จะส่องก็ไม่มีแต่มีหน้าคนเกิดขึ้นที่กระจกเงานั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่กระจกเงาก็มีอยู่แสงสว่างก็มีอยู่หน้าคนที่ส่องกระจกนั้นก็มีอยู่เงาหน้าคนจึงปรากฏที่กระจกอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาภพิษคือสังขารบางอย่างที่ยังไม่เคยมีแต่มีขึ้นยังไม่มีขึ้นมีขึ้นเฉพาะที่เคยมีอยู่แล้วเท่านั้นขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว